ฟังทมต่ออีกหลังจากที่ตายสาวทยายพระสูตรทำสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่เป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์ถ้าเรานงมาปฏิบัติมันยังเหลืออยู่แต่การกระทำเท่านั้นวิธีทมมีแล้ว เราก็พร้อมแล้วสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นก็อยู่ที่เรานี่สิ่งที่เหมือนจะดับไปก็อยู่ที่เรานี่อยู่ที่การกระทําการกระทําเป็นเรื่องที่ดิขิตศักดิ์ศิทธิ์จะทําให้ดีก็อยู่ที่การกระทําจะทําให้ชั่วก็อยู่ที่การกระทํำจะทําให้เป็นทุกข์ก็อยู่ที่การกระทํา แต่ทำให้พ้นทุกข์ก็อยู่ที่การกระทำของแต่ละคนนะเราก็ช่วยกันไปได้ต้องตัวใครตัวมันนี่คือคำสอนไม่ใช่ใครจะช่วยได้ไม่มีใครช่วยเราได้จึงมีงานกรรมฐานอย่างนี้เกิดขึ้นมาแม้สมัยขรางพู้เจ้า โอ้เจ้าก็ต้องสอนพระสงอย่างนี้สอนทุกคิวิ้ธรรมแต่พระติจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการกระทาเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายว่าอย่างนั้นแต่เมื่อฟังแล้วผู้ที่เจอปฏิบัติก็ทำไปเลยลรีกไปเลยนำไปปฏิบัติ เหมือนสมัยครั้งแรกในเอหีพิกุอุปสัมปทาการบวชเจกคุณลบรคุณลธิดาพิกุุภิกุณีพระองก็ตัดง่ายๆท่านจงเป็นพิกษุมาเถิดทำเราตัดไปดีแล้ว เธอจงปฏิบัติตามธรรมนั้นเถิดทงโจนเธอจงปฏิบัติตามทนนอทนอทนั้นให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดท่านี้เพียงพอแล้วตันนั้นเราได้ฟังพระสูตรที่เราสอทยายสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นจึงเป็นแผนที่ที่สมบูรณ์แบบ เช่นว่าลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอันขันห้านี่อันเวทรูปนึ้นก็ไม่รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนจนถึงบิน ญ, ญาณไม่ใช่ตัวตนนี่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็เคยมาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์ <c oughs> เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์เอาความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์เอาความไม่ใช่ตัวตนตัวตนมาเป็นทุกข์อย่างดื้อมันไม่เที่ยงจึงได้ไม่เที่ยงสิงนั้นไม่ควรยึดว่าถัวว่าตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าถัวว่าตนของเรานี่ dies, พูะเที่ยวสวนเด็ดขาดแต่เราไม่ได้ทำ ไม่ได้เห็นด้วยไม่น้อมมาไม่เอาทาปฏิบัติมน้อมมาน้อมเราก็ไปไม่เห็นผู้มีปัญญาทั้งหลายลองทำดูสิในหลักปฏิบัติถามคามเห็นให้มันถูกต้องเช่นมันชู ลกเกี่ยวกับความสุขอย่างไรสุขเป็นสุขเหรือทุกข์เป็นทุกข์หรือ น, นั่นไม่ได้ทำความเห็นได้ถูกต้องถ้าทำความเห็นได้ถูกต้องสุข ก, ก็เห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขมันจึงจะล้นพ้นจากความสุขทุกข์ก็เช่นกันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ มันจึงจะพ้น จ, จาความทุกข์มันเป็นสิ่งอย่างนี้หรือว่าความเหตุไม่ใช่คําตอบแบบป่าละไหนหรือพฤติในใช่ไหมไม่ใช่ขีดเอาเหมือนคณิตศาสตร์ถูกผิดไม่ใช่แบบนั้นได้หลักธรรมในตอบแบบนั้นไม่ได้ตอบแบบถูกผิดไปได้ให้คะแนน เช่นศพวิชาบริยััิทำทีทั้อีกวิชาละ70ตชิบคะแนน10บข้อวันหนึ่งถ้าทำได้ถึง7กตชิบคะแนนรวมกัน10ข้ออย่างน้อยก็สอบผ่าน ถ้าไม่ถึงเจ็ดสิบคะแนนก็อาจจะไม่ผ่านวันหนึ่งสี่วั น, 1, วนสองรยกยวขคะแนนรมกันแล้ว น, นั่นเหมือนถึงทางโลกทางโลกที่สมมุติปัหญหยัดโทบทุกเอาใบ ป, ประกาศมติดไว้ข้างฝาใ่ยังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกข์โทบทุกข์เฉย ไม่ใช่ตัวที่ตดวงตาเห็นทรรมไม่ใช่ดวงตาเห็นทรรมไม่ใช่คําตอบแบบนั้นเช่นความรู้รวงโกรธไม่ดีรวมทุกข์ไม่ดีเราก็ยังโตรธกันอยู่เราก็ยังทุกข์กันอยู่รู้ว่ามันไม่ดีรวมรู้แบบคำ ว, ว่ารู้แบบภาษามันยังใช่ไม่ได้สําหรับกิจวิญญาณ สำหรับความพนทุกข์จึงมาให้มันเห็นกรรมฐานมันจะเห็นมันหลงเห็นมันหลงไม่ได้เป็นผู้หลงอ้าวมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันถูกเห็นมันถูกไม่ใช่เป็นผู้ถูกมันสุขเห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์นี่แหละปฏิบัติ มันจึงจะหลุดพ้นได้ถ้าสุกเป็นสุกทุกเป็นทุก์ผิดเป็นผิดถ้าผิดไม่โชคไปกันใหญ่แล้วถ้าถูกเออโชคไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่แบบนั้นนะปฏิบัติไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบแบบนั้นจิตปิญญาไม่ใช่ทําแบบนั้น วันมันถูกเออมันสงบเออดีวันนี้ดีสงบดีวันไหนมันพุ่งซ่านโอ้วันนี้ไม่ดีเครียดเอาดีเอาไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ทางพ้นถูกห์ดักปฏิบัติเสมอกันมันสงบเห็นมันสงบไม่ใช่เป็นผู้สงบใช่ไหม <c oughs> มันไม่ยากเลย มันฟุ่งสา่านเห็นมันฟุง่งศานไม่เป็นผู้พุง่งศ่านเพราว่าที่เห็นมันตรงอยู่นี่นะมันจึงเก็ดเหนือโลกมันจึงจะอยู่เหนือการเกิดแก่เจ็บตายให้หัดจางนี้ไม่ใช่ไปเอาลูกเอาได้ไอ้วันนี้ได้หรือตั้งใจมาปฏิบัติเข้าครสนุมยปัญญาทั้งหลายมาเข้าครส จะได้ทําได้หรือเปล่าจะอู้กลัวจะทําไม่ได้กลัวจะลําบากกลัวจะยากมันจะง่ายไหมหนังสือแบบนั้นไม่เชืโอง่ายไม่เชืโอยากไม่เชื่อลำบากให้เรามาสร้างภาวะที่เห็นสติมันจะเป็นภาวะที่เห็นไม่ได้เป็นกับทุกอย่างให้หาจากนี้ให้มันเห็น เยอะแยะที่มันเกิดให้เห็นขึ้นมาเห็นโล่ลงตุ้นมามีดวงตามีภาวะที่รู้มีสติเป็นในกายเป็นไปจําเห็นกายอยู่เป็นไปจํานี่คือสติเห็นกายเป็นไปจําตัวภาวะที่เห็นอย่างนี้จึงจะเป็นดวงตาที่เห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ตาเนื้อเห็นสีเห็นแสง เห็นนีมีเห็นรูปเห็นกลิ่นอะไรต่งตางๆไม่ใช่แบบนั้นดวงตาที่เห็นธรรมนี่คือคือมันเห็นหลงก็เห็นมันสุกก็เห็นมันโุ ก, ก็เห็นมันลอยก็ตามที่มัน เ, มเกิดกับกากับใจนี่ไม่ไเห็นทางนั้นไม่ใช่เข้าไปเป็นมันกับมันจนจึงเป็นจนจงจะเป็นดวงตาที่เห็นธรรม ไม่ผีแน่นอนด้วยเราทำอย่างนี้รัดสั้นๆได้วิธีรัดแต่ให้ทําไปได้ปฏิบัติมันรัดที่จุดโดยเฉพาะกรรมฐานเห็นกายส่าวะกายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตวโนโหลเขานั่นแต่เราเห็นกายอะไรที่มาเกิดกับกายเห็นมันหนาวเห็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาว สักว่ากายถ้ามันหนาวถูกต้องไหมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการที่มันเกิดกับกายไม่ใช่ตัวชื่อยตนเอากายเอาความหนาวมาเป็นทุกข์เอาความปวดมาเป็นสุขมันก็ไม่ใช่การเห็นมันเป็นไปแล้วได้เห็นมันหนาวก็ขอบคุณความหนาวน่าจะมีปัญญาเห็นมันโลนเห็นมันหิวเห็นมันปวด ไม่เป็นผู้ปวดมันจะอยู่เหนือนี่ลักษณะดวงตาเห็นธรรมเกี่ยวกับกายไม่ได้เห็นทั้งหมดเกี่ยวกับจิตใจที่เป็นนามมาทำก็เห็นทั้งหมดเห่นความโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเหมืนทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเหมันง่วงเห็นมันง่วงไม่เป็นผู้ง่วงมันพุ่งซ่านเห็นมันพุ่งซ่านไม่เป็นผู้พุ่งซ่าน มันจรงใจหลุดพ้นคําว่าทำมัเหนือเหนือทุกอย่างไม่เปิดเพื่อนไม่เปิดเพื่อนกับสิ่งใดแล้วว่าพรหมจั๋์บริสุทจูตรบริบูรณ์สิ้นเชิงนี่คือพรหมจั๋์ไม่เปิดอเพื่อนก็สุขเป็นสุขทุกเป็นทุกเปิดเพื่อนมันเปิดเพื่อนมาแล้วรูปนามของเราเนี่ยมันเป็นลุดมือสอถูกชนถูก บุบถุกลอยถุกอะไรต่างๆมามากแล้วลอยสุขมีแล้วลอยทุกก็มีลอยได้รอยเสียลอยลักลอยแ้นลอยเกียจชังลอยพยายาทบมีไปลัูจีข้างจีหนความถุงหลงที่ได้เป็นหลงทุกที เอ่อโกที่ได้เป็นโกดทุกทีงวองทุกที่ได้เป็นทุกทุกทีมันจึงมีลอยในกิจวิญญาณในรูปในนามจึงมาลกมาซ่อมเขาอู่ <c oughs> เขาอู่ซ่อมนั้นหลงรู้ซ่อมแล้วไม่เป็นผู้หลงนั้นสุกรู้ไม่เป็นผู้สุขซ่อมแล้ว มันฟิตขึ้นมามันจะมาจะถานต่อว่าที่เห็นไม่เป็นเนี่ยมันมาจะถานชีวิตของเรามันปฏิบัติได้ให้ผลได้เนอะเจาการที่จะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นมรรคเห็นผลเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติในหลักปฏิบัตินี่เราจะได้ ชำนาญในทางนี่ยิ่งคนใดที่คิดมากเห็นความคิดคิดที่ใดรู้ทันทีมันจะเก่งประสบการณ์ปดเรียนในแย่แย่แต่บางทีเราเป็นนักประทานมักเก็บให้มันสงบนิ่งลบตาบริกรรมให้มันสงบนิ่งอันนั้นอั น, นั้นเนินชอบไว้ติดความสงบไม่ได้พบไม่ได้ประสบการณ์ ไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เรียนรู้ไม่ชํานาญความสงบนิ่งเหมือนกานขี้เกียจเกียดขี้เกียจทั้งจิตวิญญาณเหมือนร่างกายของเราเนี่ยถ้าขี้เกียจไม่อยากทำอะไรก็จนต่ทำอะไรก็ยากคนขี้เกียจเป็นใบบุกตัวใหญ่ถ้ามีความขี้เกียจเกิดขึ้นเราก็มีอะไร ต่างติดตามมาเยอยะแยะเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองหกตัวสมมูรณแบบเบราะนั่นความสงบ เ, เป็นความขี้เกลียดของกิจวิญญาณ้องขยันลูกมันเป็นภาวนานเป็นการขยันลูกเป็นความขยันของกิจวิญญาณเฮ้ยไปสอนทอมที่สิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ เขาก็บอกว่าโ อ, อ้ขมปฏิบัติมันสงบมันชุกดีเวาลานั่งมันสงบหลวงพมาสอนในสอนในเครื่องหน่ยมันทุกมันยากมันลําบาก <c oughs> เออก็บอกโอเคแลว้วถูกต้องนะคนเกลียดข้างก็แบบนั้นแหะจิตวิญญาณที่มันเกียดข้ามมันชอบสงบแบบนั้นแลว้ว ไม่ต้องทำะไรนั่งกันนิ่งง่ายๆคยฝึกจากนั้นมายิ่งบริกรรมก็ไปยิ่งสงบนิ่งว่าตัวเองเข้าสมาธิที่แค่มมนเป็นโมหะจิตที่อยู่ใต้โมหะออกจากความสงบก็เหมือนเดิมเพราะนั้นใช่แล้วว่าอันความสงบแบบมันทำลายกิเลสได้ไหม มันได้แตะต้องกับพิเิจคือความโกรธความโลภความห ล, ลงได้ฝึกกับตัวนี่บ้างไหมเวลามันโกรธก็เป็นโกรธเวลามันทุกข์ก็ม่ทุกข์ยังมีไหมครับว่ายังมีอยู่เวลาออกจากความสงบแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมอยู่ยังโกรธยังทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นความสงบแบบนันไม่ได้ไม่ได้ทะลุงไม่ได้เป็นศีลไม่ได้เป็นฉิบหาไม่ได้มีสมาธิไม่ได้ย่อย ไม่ได้เห็นทำามาเห็นนี่มันตลุงเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยมันตลุงเป็นไม่เป็นขี้นเป็นอันเลยไม่เป็นตัวเป็นตนเลยทำลายตัวตนทนันทีเห็นไม่เป็นเนี่ยตอนนั้นกันขยันรู้เมื่อเรามันคิดเน่ยคิดเ่ยรู้คิดที่ใดรู้ที่นั่นคิดมีสองคิดตัวคิดที่เกิดจากกิจ ก่อคิดเป็นทวรของกิจเป็นมือเป็นไม้ของกิจต่คิดโดยที่ไม่ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองเนี่หรือ ว, ว่านี่แหล ะ, ะได้บทเรียนที่ดีอันคิดตั้งใจก็ไม่ควรจะคิดในเวลาที่มา่อึกกรรมาฐานเอาวางไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอางานแล้วไว้ก่อนให้เมื่อมีสติ ถ้าคิดที่ไม e ่ตั้งใจเนี่ยต้องรู้สึกสันติรู้สึกสันติกลับมาลู่อ๋อใส่กรรมฐานไปที่ตั้งกลับมาปฏิบัติคือกลับมาหาที่ตั้งไม่ใช่ไปห้ามคิดด้วยความคิดด้วยเหตุด้วยผลหาคําตอบจากความคิดหาความผิดควมถูกจากความคิดไม่ใช่กับวิชากรรมฐานต้องกลับมาเช่นก่อนหนคิดอะไรก็กลับมาหาที่ตั้งมาลู่จึกตัว ความรู้จึกตัวที่มันตั้งปฏิกรรมจยแน่นหนาขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งขึ้นมาต่อไปเธอไป <c ll ar> ไม่ได้กลับไม่ได้มีรูปแบบกรรมฐานไม่จะกลับเองมันเคยคิดไปจะตใจกลับมาลู่ตัวดีความคิดกลายเป็นความรู้ความหลงกลายเป็นความรู้ความทุกข์กลายเป็นความรู้จึกตัวสิ่งที่มันเกิดกับกายกับจิตกั บ, กบเป็นความรู้จึกตัวทั้งหมดมันจะเป็นอย่างไรกรรมฐาน ไม่ใช่ค่ะคำตอบจากเหตุผลด้วยความคิดด้วยอะไรต่างๆเหตุผลไม่ใช่สจรธรรมเหตุผลไม่ใช่สจธรรมคนฆ่ากันก็เพราะเหตุเพราะผลคนฆ่าตัวเองก็เพราะเหตุเพราะผลเหตุผลมันคือความคิดความจริงเข้นความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงมันจะจริงอย่างนี้ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริง มันจะเป็นอย่างนี้เราจึงไม่เห็นไม่ใช่เหตุผลมันเห็นสัจจะความโกรธเป็นสมมติจัตจะก็ไม่โกรธเป็นปรมาสัจจะมันจริงขู่กันอย่างนี้แล้วก็รู้จักเลือกรู้จักรู้จักสร้างความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่เราเนี่มันจึงเป็นจึงมันจึงจะเป็นมากเป็นผล ถ้าไม่สร้างตรงนี้ไม่เกิดมากเกิดผลนักปัอยู่ที่รูปที่นามนี่มันเป็นที่ต่อยอดให้ถ้าไม่มีรูปมีนามมันก็ไม่สามารถที่สร้างมากสร้างผลได้เห็นทุกข์นีย่ยทาไมเป็นพระุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงทำไมเป็นพระุทธเจ้ า, เ, า, เ, เ, ป เ, จาเป็นนิพพานได้เต้เต้ที่ความไม่เที่ยงแต่ก่อนเป็นทุกข์นีย เมื่อเราตรวจเมื่อชี้นี่จะเป็สังขลรนิจาติยดาปัญ ญ, ญายปัจจติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นยอมเหนือยหนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระ น, นิพพานเนี่ยต้องหมาเห็นอย่างนี้ว่าเป็นนิพพานได้มันโต่ยอดเอาความไม่เที่ยงเป็นนิพพาน แต่เปจังคลาตุคาติยาตาปัญญายาปชสติเมื่อไดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อน้อยยอมหน่อยๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพันิยานต่อยอเอาความเป็นทุกข์เป็นนิพพานเลยเห็นทุกข์มันยังพ้นจากทุกข์เห็นผิดมันยังพ้นจากผิดเห็นอะไรก็ตามมันยังพ้นจากสิโลานานไป มันจึงเป็นการพ่นโลกเหนือโลกจนเหนือโลกเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้ฝึกอย่างนี้วิชากรรมฐานฝึกอย่างนี้มันเกิดให้เราฝึกหัดมันมีให้เรามาฝึกขัดถ้าเรามีหลักปฏิบัตดิดีๆให้แน่นหนานดีๆีแล้วก็กรรมฐานเป็นหลักกรรมฐานเป็นหลั ก, กศักดิ์สิทธ เช่นสติเป็นที่หลงของท네ุกอย่างเป็นตัวเฉลยทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจนี่สิ่งที่มันเกิดกับกายใจมาลงที่สติได้ทั้งหมดเหมือนลอยเท่าของช้างใหญ่กว่ารอยเท่าของสัตว์ทั้งหลายลอยเท่าของสัตว์ทั้งหลายมารวมลงที่ที่ลอยเท้าของช้างได้หมดเลยเป็นธรรมแม่บท เป็นมารดาของอกุศลและธรรมทั้งหลายหวมหลงเป็นบรรดาของอกุศลและธรรมทั้งหลายไง่มากทุกคนทําได้ทุกคนทําได้ไดตัวติไม่ได้ขอที่ไรเช่นเอาเมือ ว, า, วางไว้วางเขารู้จึกตัวไหมถามว่ารู้มืออยู่ไหนมืออยู่ที่ของเขาตอบได้ทุกคนเคยเป็นคนลูกต้องถามใครไหม ว่ามือฉันอยู่ที่ใดไม่ต้องมีคําถามมีแต่คาตอบใครเป็นคนตอบตัวเองต้องตอบตัวเองคนอื่นตอบให้มาได้นี่คือสตตธรรมพิกมือขึ้นรู้ทุกคนมีแล้วไม่ได้ขอจะกใครขออยาตลู่ได้ไหมหลงตามันหลงทํำไงทำยังไ ง, ไงมันหลงทำยังไงไม่ต้องมีคําถามรู้ถึงตัวขึ้นว่า แล้รูดูตัวความนองก็หมดไปแล้วมันโกดูดูตัวขึ้นมาความโกดก็เป็นความรูดแล้วต่มฐ า, านมันสักศีดอย่างนี้มันทุกูดูตัวขึ้นมาความทุกก็เป็นความรูดแล้วเรียกว่าเปลี่ยนล้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติเปลี่ยนล้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติประโยชน์ใหม่ประโยชน์ใหม่ใหม่คือนวาะขีวันชีวิตที่ใหม่ ปฏิบัติธรรมมันเป็นโกเป็นกรรมจริงๆไม่ต้องเสี่ยงวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ไม่เสี่ยงเหมือนการทานาทำไรเช่นชาวนาที่นี่กวน่าทว ม, ไ, มได้ผลเลยลงทุนเป็นจนวนมากแต่ปฏิบัติธรรมไม่เมีเสี่ยงทันทีทันใจปัิจัดตังเดี๋ยวนี้ มีพลิกมนขึ้นก็รู้เดี๋ยวนี้ยกเหมืนขึ้นก็รู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่วินาทีใดรู้เดี๋ยวนี้แน่นหนามากวิชากรรมฐานเนี่ยวินาทีละรู้หนึ่งรู้สองรู้ใช่ไหม <laughs> จเจออ้ายังไงอีกล่ะเชื่โมงหนึ่งหกสิบวินาที หกสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงก็วินาทีและชั่วโมงโวินาทีและลูกวินาทีหนึ่งเป็น <c oughs> ว่าจยงางไบวกเอาหนารนเอาคูณเอาิตนิสัยเจักหน่อยวินาทีและลูก ชุ่โมงหนึ่งถ้ารู้ทุกวินาทีค่เป็นกี่รูมันตั้งสามพันหกร้อยรูมาจำงหารูจริงๆนะึ่งองพิสูจกันดู้ิให้เอาชีวิตเป็นเดิมพันลองดูแล้วไม่มีที่ใดขอให้ขอเสนอให้ใช่ทีน่นี่จะขอรับให้ชอบ เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันจะอยู่จะกินจะกินจะทานอะไระใ้เตี่ยไม่พอมเพื่อให้สะดวกละากานันนี่บอกพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรแต่ ว, วันนี้ไม่มีเพื่อน เ, เลยหนีกันหมดเลยไปเดินทางมิจาต์สองรอยคนเนาะไปก็หมดวันเลยก็เหลือแค่นี้ แต่ว่าแค่นี้ก็ก็รับรองได้นะใช่ไหมพี่คีนี่ก็เก่งตัวนั่นเลย <c oughs> อ่าถ้าไม่มีที่ไหนขอมาพิสูจนที่นี่ลองดูใช้ชีวิตเรื่องให้เรื่องกรรมฐานเนี่ยจิดวันจะเป็นยังไงจิดเดือนจะเป็นยังไงคิดปีนะจะเป็นยังไงขอใช้ที่นี่ลองดูสิไหวไหมอาจารย์นักสิน อาจารย์ที่ยังหนุ่มอยู่อลองดูชิประเทศไทยวัดแบบไทยๆพุทธศาสนาแบบไทยไทยพระสงฆ์แบบไทยไทยวิธีปฏิบัติตามหลักพุทธเจ้าทำไว้ไหนให้หมาพิสูจน์ ด, ดูวันเช่อยู่ที่ไหน ่าอยู่ที่สง่างามคนหยุดในวัดในว่าในาใครเห็นก็นุกมือเป็นอมือวไหวเห็นรถบัสคันใหญ่หญวิ่งข้าม า, บาับัดพวกเราอยู่นี่ก็ดีใจน่ะกลอก้อนของรถไม่ส น, นุขกึุกาธทรมาเหมือนก็นมีที่พึ่งเรยกว่าปัญญาชน เ้าเคยไปเปลี่ยนหลงเป็นลู่ไอ้เปลี่ยนหลงเป็นลู่หรือมีความลู่ฉึกตัวเป็นงั้นก็พึ่งกันได้เหนั้นเรานั่งอยู่ที่นี่ถ้าเรามีสติก็เป็นคนคนเดียวกันมันก็พึ่งกันได้ถ้าเรามีความหลงก็เป็นคนละคนกันไปพึ่งกันไม่ได้ แต่ตัวเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันเรามีใจเราเพิ่งใจได้ได้ไหมบางคนอาจจะมะมั่นใจตัวเองด้วยซ้ำไปว่าลูกจะเป็นอย่างไรไม่เชื่อใจตัวเองดัางนั้นอันตรายมากถ้าเราไม่ฝึกมักจะเป็นเช่นนะั้นก็คืนเป็นควันกลางวันเป็นปลวหมกมุ่นคุนคิดเป็นความสุกเฉทุกความคิดมีไหม คิดขึ้นมานอนไม่หลับเวลานอนถ้เรื่องบ่าคิดไม่อยากคิดเราก็คิดหยุดความคิดไม่เป็นมีบ้างไหมจะปล่อยทิ้งงั้นหรือจะให้ความคิดมันเป็นใหญ่หรือมันมีปืนมีมีดไหมความคิดเนี่ยเป็นแต่คิดเฉยก็เป็นทุกเป็นทุกที่ไม่น้อยความคิดเนี่ยแค่นี้หรือชีวิตของคนน่ะทำไมไม่ฝึกตนสอนตน อันตรลอยได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ฝึกมันมันเป็นภูมิต่างๆชีวิตของคนเรามันมีเปรตมีสุลไยมีเศษโลกมีเลนิชานเป็นภูมิของจิตวิญญาณได้ถ้าไม่มีศาสนากํากับอนุษย์หรคนเราต้องมีศาสนามีคระวัตรปฏิบัติต่อถายต่อใจอย่างถูกต้องมันจึงเป็นประโยชน์ จริงจะคุ้มค่าพ่อแม่เราอาจจะทําไม่ได้เราเนี่ยลูกสาวของแม่ลูกสาวของพ่อลูกชายของแม่ลูกชายของพ่อเราจะทําเรื่องนี้ลองรูลราใส่ใจเลยให้ให้เป็นคุณค่าของชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราเคยหลงเราเคยทุกข์น่าจะเคิดเรา วอมมาปฏิบัติตรรมเห็นความคิดเนี่ยถูกโดยเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจได้เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันโชอที่สุดเป็นปิดการงานโชคที่สุดก็ตื่นรุ่นพอใจไม่เคยเห็นความคิดของตนชาติปีปมอมีสติีเห็นมันคิดขึ้นมานั่งอยู่นี่มันคิดถึงลูกถึงเหนียนหนดกลับมาอันยังอีคิดเห็น อะไรความรักความชังคิดถึงจิตเลตอตัหาคนมีเมียก็คิดถึงถึงเมียคนมีผัวคิดถึงผัวคนมีลูกคิดถึงลูกคนมีความโกรธคิดถึงความโกรธคนมีความรักคิดถึงความรักเพียงแต่ความคิดเฉยเฉยก็เป็นไปกับมันได้ว่ามันเปลี่ยนมาเป็นลูกนะถูกมันชอบที่สุดก็ตื่ลือรุ่นได้กลับมา แล้วนี่ไม่ใช่เหมือนนั่งคิดถึงลูกถึงเมียเหมืนเจนเข้ามาเข้ามาเข้ามามหลอกทุกทีลู่ทุกทีหลอกทีไ้ลู่ทีนึงหลอกทีนึงีนมันก็ต้องเก่งนั้นตื่นเนะตื่ น, นก็บอกเจะเอกแบบเจะเอกนะตื่นแบบจะเอกกันมันพร้อมที่จดต้องไปคิดขึ้นมาลู่หัวต ต้องเตนี่ไปอันความสุขความทุกข์เกิดเกิดกายเกใจจะไม่มีอีกแล้วเหมันว่าอย่างนี้นั้นหลอกมาเรือเกินความสุขความทุกข์ที่เกิดกับกายเกับใจจุดกันทติ ท, ทีต่อไปเนี่ต่วเป็นอิสระไม่โอกาสใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์อีกตัวป่อไมีแต่เห็นที่เหมือนเห็นเรื่องราวที่มันเกิดกับกายเกับใจทุกเรื่องดูว่าจบหน่อย มันจบเลยผมหลงก่อ น, นเขาหนแหละความโกรธ ก, ก่อนเก่าความทุกข์ก่นเก่าความสุขก่อนเก่าความรักก่อนเก่าจิตใจตัณหาก่อนเก่าไม่ใช่ของใหม่ทําไมจะไม่จบเพราะว่าได้เห็นเห็นแล้วไม่เป็นกันไปกับมันแนตะ่คนที่จุกเห็นแล้วไม่เป็นกับมันนะแล้วก็เหนือมันแล้ว แล้วก็เออนี่กุ้งข้านา้ำนมแม่ที่เลี้ยงมาตัวนั้นเราเนี่ยอยู่ในฐานะแบบไหนเอาชนะตัวเองได้บ้างไหมมาปฏิบัติธมมันเป็นการเอาชนะตัวเองดัน้ตัวเองเนี่เป็นสิ่งที่เปิดสิตนะจนะาคนอื่นล้อยข้างปัญโหน ไม่เท่าเจ้านะ้าตนข้างเดียวเลยเจ้านะ้าคนอื่นไม่จริงหรอกเจ้นะ้าตวเองมันเป็นประเสริฐเจ้านะ้าอย่างประเสริฐอัตตาห่าไว้คิดตังเสออือโยเฉินะตนนั่นแหลเป็นสิ่งประเสริฐ ท, ที่สุดมันหลงเปลี่ยนเป็นไม่หลงมันอะไรที่มัเนเกิดกายกับใจขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นรู้ทั้งหมดความรู้จากตัวมันเป็นมรรคเป็นผล ก่เกิดจากความรู้สึกตัวหนึ่งกลาเป็นมรรคผลผลวงหลงกลายเป็นภูมิเช่นต่ําบ่มันสุกมันสุกเห็นมันสุกไปสูงสูงเที่ยวมนุษย์ถ้าสุกเป็นผู้สุกไปทางต่ำต่ําถ้าหลงเป็นผู้หลงไปทางต่ำต่ำถ้าหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงไปทางสูงสูงคนไปทางต่ํามนุษย์ไปทางสูง มนูษเท่านั้นจึงถึงมุกถึงผลขนไปสู่นิพสุกทุ ก, กติถ้าสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงไปสู่นรกเท่ากับขนโู่ใชฟ <c oughs> ังดีดีนะถ้าหลงเป็นหลงสุกเป็นสุกทุกเป็นทุก ไปสู่โลกเท่ากับขนของโคไปสู่สวรรค์ในพานเท่ากับเขากูตน้อยเท่านั้นเองนะแยกตรงนี้นได้ถ้าหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงถ้าโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธถ้าทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไปสู่มรรคในพานเท่ากับขนโคไปสู่นรกเท่ากับเขาโูตรงกันข้ามไปทีเดียว ต้องแยกให้ได้ตรงนีงเึื่งจะคุ้มค่านะถ้าไม่ก้าข้ามตรงนี้ไปไม่รอดเรียกว่าไม่ไขค้คณแก่แจ๊สู้ไปไม่ได้จึงมีภาวาที่เห็นไม่ได้เห็นเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นความเดือดุกเห็นนี้รู้ทำไมแจ้งเห็นมากจะเลิญแล้วพระเจ้าไปบอกอย่างนี้ เหนทุกมันเห็นงูเมื่อเห็นแล้วมันก็งูก็กัดไม่ได้จึงมาสร้างดวงตาภายน่ยขึ้นมาดวงตาเห็นทรรมเห็นแบบนี้นี่จะเห็นไม่เป็นอะไรที่เกิดกับกายกับใจเห็นไม่เป็นไปกระมันจนหนึ่งที่สุดไม่เป็นอะไรกับอะไรที่สิ่งที่เกิดขึ้นกากับใจมันก็จบด่า วิชากรรมฐ า, านเป็นวิชาที่เรียนรู้เรื่องการเรื่องจบหยนวิทยาศาสตร์นั้นจบไม่เป็นทนคั่วอยู่เรื่อยเออสมควรใช้เวลาวันนี้ออ